พบเห็นสมณะผู้ประเสริฐในระยะที่ท่านยังเรียนหนังสืออยู่นั้นกิติศัพท์กิตุคุณของท่านอาจารย์มั่นผูริทัตโตมิเคยได้จืดจางลงไปเลยแม้แต่น้อยกลับยิ่งฟุ้งขจรกระจาย อย่างกว้างขวางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ว่าท่านเป็นพระสําคัญรูปหนึ่งส่วนมากผู้ที่มาเล่าเรื่องของท่านอาจารย์มั่นให้ฟังนั้นจะไม่เล่าทำขั้นอริยภูมิธรรมดาแต่จะเล่าถึงขั้นพระอระหัตภูมิทั้งนั้นทำให้ท่านมั่นใจว่า เมื่อเรียนจบตามคำสัตย์ที่ตั้งไว้แล้วจะพยายามออกปฏิบัติไปอยู่สำนักและศึกษาอบรมกับท่านอาจารย์มั่นเพื่อตัดข้อสงสัยที่ฝังใจอยู่นี้ออกไปให้จงได้โอกาสตำนวย ให้ท่านเดินทางไปศึกษาปริยะต่อที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดินทางไปถึงอเผอิญเป็นระยะเดียวกันกับที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีพระอุปชาได้อาราธนานิมนท่านอาจารย์มั่นด้วยตนเองเพื่อขอให้ไปพักจำพรรษา อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีท่านอาจารย์มั่นเมตารับนิมนต์นี้จึงได้ออกเดินทางจากสถานที่วิเวกบนเขาในเขตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะเข้าพักชั่วคราวอยู่ที่วัดเจดีหลวงนั้นเช่นกันเหตุการณ์ก็บังเอิญเป็นระยะเวลาไล่เลี่ยกัน กับที่ท่านเดินทางไปถึงจึงมีโอกาสดีที่ได้เห็นท่านอาจารย์มั่นความรู้สึกของท่านในตอนนั้นท่านเคยเล่าว่าเกิดความรู้สึกเลื่อมใสในองค์ท่านขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะนั้นว่าเราไม่เสียที ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติได้เห็นพระอาหารหันต์ในคราวนี้แล้วความรู้สึกในครั้งนี้ท่านว่าหากแม้ไม่เคยมีใครบอกว่าท่านอาจารย์มั่นเป็นพระอาหารหันต์มาก่อนเลยก็ตามแต่ว่าใจของท่านกลับยังเชื่อแน่วแน่ลงไปอย่างนั้นทีเดียว พร้อมทั้งปลื้มปิติยินดีจนขนพองสยองกล้าวอย่างบอกไม่ถูกในขณะที่ได้เห็นท่านเหตุการณ์ในระยะนี้ท่านเคยเล่าให้พระเนนฟังดังนี้ท่านเทศที่วัดเจดีหลวงสามชั่วโมงเทศวิสาขบูชาผมก็ไปถึงใหม่ ท่านมาถึงก่อนผมสองวันหรือสามวันผมก็ไปถึงท่านป่วยอยู่ที่บ้านปาเปิตท่านออกมาครั้งนั้นเพราะรับนิมนต์ท่านเจ้าขุนอุปชายะของเรานี่เองท่านออกมาเพราะนัดกันแล้วว่าเดือนนั้นเดือนนั้นระยะนั้นระยะนั้นให้มาท่านก็ออกมา มีท่านอาจารย์อุ่นกับคุณนายทิพย์ภรรยาผู้บังคับการตำรวจทุกวันนี้เรียกผู้กํากับมานิมนท่านอาจารย์อุ่นไปรับท่านมาผมก็อยู่นั้นเวลาท่านเทศแต่ก่อนไม่มีรถนี่เทศอยู่วิหารใหญ่ทางรถผ่านหน้าวัดจนเขาแตกตื่นเข้ามาดูเขาว่าพระทะเลาะกัน มาดูก็เห็นท่านอาจารย์มั่นเทศอยู่บนธรรมมาตรนั่นละ่ะขนาดนั้นละ่ะท่านเทศเปรีย่ยเปรีย่ยนเอาอย่างถึงเหตุถึงผลแต่เราก็เพลินไปด้วยความเลื่อมใสท่านนะจะให้รู้เรื่องรู้ราวในเรื่องท่านเทศเรื่องวิถีจิตวิถีอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มันเพลินด้วยความเชื่อท่านความเลื่อมใสว่า เราเกิดมาไม่เสียชาติได้พบท่านอาจารย์มั่นที่ร่ำลือมานานครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เคยไปอยู่กับท่านมาแล้วมาพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดไม่เป็นอื่นว่าท่านอาจารย์มั่นคือพระอริยบุคคลเราก็ยิ่งอยากจะทราบอริยบุคคลชั้นไหนมันก็มีหลายชั้นนี่นะ อริยบุคคลอรหันนั่นแหละว่างนี้เลยอรหัตบุคคลว่านี้มันก็ยิ่งึ้งนะสิเวลาไปถึงใหม่ใหม่ท่านไปบินฑบาตสายไหนสายไหนสอบถามได้ความว่าท่านออกไปนี่แล้ว ท่านบินทบาทแล้วกลับมาทางนี้ธรรมดาท่านไปสายๆท่านกลับมาสายๆเราบินทบาทแต่เช้ากลับมาก็เตรียมท่าคอยดูทางเรายังไม่เห็นเดี๋ยวพระมาบอกว่ามาแล้วนูน่นนก่นกลังเข้ากําแพงวัดเราก็ปุ๊บเข้าในห้องเลยมันมีช่องอยู่ยังไม่ลืมนะ จากนั้นเข้าไปในห้องแล้วส่องดูลักษณะของท่านเหมือนไก่ป่านะคล่องแคล่วตาแหลมคมท่านเดินมาเราก็ดูฟังด้วยความสนใจดูด้วยความเลื่อมใสนี่มันซึ้งจริงๆเราไม่ลืมนะไม่เสียชาติเป็นมนุษย์แต่ท่านจะเห็นเรายังไงก็ไม่รู้นะ เราหาเป็นบ้าดูแบบบ้าเรานั่นแหละหลังจากนั้นไม่นานท่านอาจารย์มั่นก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานีสำหรับท่านยังคงอยู่เรียนหนังสืออยู่ที่วัดเจดีหลวงนี้ต่อไป โดยศึกษาบาลีกับนักธรรมควบคู่กันไป